มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาสัตมวักสติอาการะปัญหาที่หนึ่งถามว่า ลักษณะสติจะบังเกิดนั้นด้วยอาการกี่อย่างคืออะไรบ้างราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามอัถปัญหาในสัตตมวาวัชนี้ว่าพันเตนาคะเสนาข้าแต่พระนาคเส์ผู้มีปรีชาอันเลิศลักษณะสตินี้บังเกิดกติหิอากาเรหิด้วยอาการมากน้อยเท่าใด นิมนต์วิสัชนาแก้ไขให้แจ้งก่อนพระนาคเกษจึงถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบอบิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐลักษณะสติจะบังเกิดด้วยอาการสิบเจ็ดสถานขอถวายพระพรอันว่าอาการสิบเจ็ดนั้นคืออภิชานโตสติหนึ่งกูตุมพิกายสติหนึ่ง โอลาลิกะวิญญาณโตสติหนึ่งหิตะวิญญาณโตสติหนึ่งอหิตะวิญญาณโตสติหนึ่งสภากะนิมิตโตสติหนึ่งวิสภากะนิมิตตโตสติหนึ่งกถาพิญญาณโตสติหนึ่งลักขณะโตสติหนึ่งสะระณาโตสติหนึ่งมุทะโตสติหนึ่งขณาณาโตสติหนึ่ง ธารณโตสติหนึ่งาวนาโตสติหนึ่งปุกะนิพันธนะโตสติหนึ่งอุปนิเคปะนะโตสติหนึ่งอนุภูตโตสติหนึ่งสิริเป็นสิบเจ็ดเท่านี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าวิลินปินประชากรมีสุนทรราชโองการตรัสว่าพันเตนาคเสณนะ ข้าแต่พระนาคเษนผู้มียานปรีชาอันว่าอาการแห่งอภิชานโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาคเษนจริงวิสันาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอภิชานโตสตินี้ได้แก่สติของบุคคลทั้งหลายอันระลึกชาติได้และสติของพระอานน์ อันฟังพระสูตรครั้งเดียวจำไว้ได้และสตินางขุดชุดตราอุบาสิกานั้นและนางขุดชุดตราอุบาสิกานี้ฟังพระสัท ธ, ธรรมเทศนาครั้งเดียวก็จำได้จำเอามาสําแดงให้คนทั้งหลายฟังได้ทัวท่วทีทั้งพระคาถาบาลีดังนี้ชื่อว่าอภิชาณโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากร มีพระราชะองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชากุตุมพิกายสตินั้นอย่างไรพระนาคเสนจริงวิสันญาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารกุตุมพิกายสตินี้ได้แก่บุคคลทั้งหลายมีสติฟั่นเฟือนขี้หลงขี้ลืม จำได้แต่ทรัพที่ถุงห่อของตัวเก็บไว้ดังนี้ได้ชื่อว่าก um ูตุมพิกายะสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิรินปินประชากรมีพระราชะองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคะเสนข่าแต่พระนาคเสนผู้มีญาณปรีชาอันว่าโอลาริกะวิญญาณโตสติเป็นประการใดพระนาคเสนจึงวิสันาแก้ไขว่ามหาราช ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารโอลาริกะวิญญาณโตสตินั้นได้แก่สมเด็จบรมคัติยราชแรกปราบดาพิเศษมีสติโอลาริกะภาพและท่านผู้ได้โสดาปฏิมาแล้วและสำเร็จแก่โสดาปฏิผลสบายอกสบายใจนั่นแหละได้ชื่อว่าโอลาริกะวิญญาณโตสติขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชองค์การถามว่าพันเตาานาคเสณะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าหิตะวิญญาณโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาคเสนจริงวิสัญนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรหิตะวิญญาณโตสตินั้นได้แก่บุคคลเคยได้เป็นสุขอยู่แต่ก่อน และระลึกถึงสุขที่ตนเสวยแต่ก่อนนั้นได้ว่าอัตมาได้เสวยสุขเมื่อครั้งนั้นครั้งนั้นอย่างนี้ชื่อฮิตะวิญญาณโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าวิลินปินประชากรมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาอันว่าอหิตะวิญญาณโตสตินั้นเป็นประการใด พระนาคเกษเจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอหิตาวิญญาณโตสตินั้นได้แก่บุคคลตกทุกข์ได้ยากมาแต่การก่อนจึงระลึกขึ้นถึงทุกข์ยากแต่ก่อนดังนี้แหละจัดได้ชื่อว่าอหิตวิญญาณโตสติขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าวิลินปินประชากรมีพระราชองค์การถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าสภาคะนิมิตตโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชาขอถวายพระพรสภาคะนิมิตโตสตินั้นได้แก่บุคคลเห็นซึ่งผู้อื่นเหมือนบิดามารดา ญาติพี่น้องและบุตรของตัวกระทํากาลกิริยาตายและวัวควายช้างมา้าโคมหิงสาอันเหมือนของตัวนั้นกระทํากาลกิริยาตายก็ระลึกขึ้นได้ดังนี้ชื่อว่าสภาคะนิมิตตโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชะองค์การถามว่าพันเตนาคเสณะ ข้าแต่พระนาเคเกษนผู้ปรีชาวิสภาคณิมิ ต, ตโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาเคเกษนจึงวิสัญชาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารวิสภาคณิมิ ต, ตโตสตินั้นได้แก่บุคคลมรลึกว่าสีสันวันนะกลิ่นรสแห่งผลไม้สิ่งนี้เป็นเช่นนี้และระลึกถึงโพธพารล์ อันอ่อนและกระด้างอย่างนี้เป็นเช่นนี้อย่างนี้แหละจัดได้ชื่อว่าวิสภาคะนิมิตตโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรมีพระราชะองค์การถามว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่ากถาพิญญาณโตสตินั้นอย่างไรพระนาคเสนจริงวิสัญญาแก้ไขว่า มหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารกถาพิญญาณโตสตินั้นได้แก่บุคคลเคลิมสติลืมไปให้ผู้อื่นบอกให้จึงระลึกขึ้นได้ชื่อว่ากถาพิญญาณโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาฆเสนฆ่าแต่พระนาคเสนผู้มีญาณปริชา ลัคณะโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูราณะบพิษพระราชสมภารลัคณะโตสตินั้นได้แก่บุคคลเป็นเจ้าของโคเห็นตำหนิเครื่องหมายโคของตนแล้วระลึกได้ดังนี้ชื่อว่าลัคณะโตสติขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าวิลินปินประชากรมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอันว่าสาระโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชาดูรานะบพิษพระราชาสมภ า, ารสระโตสตินั้นได้แก่บุคคลอันเคลิมสตินั้นยังมีบุคคลมาว่า ว่าท่านได้กระทําสิ่งนั้นไว้ท่านลืมไปแล้วหรือจงคิดดูเถิดและบุรุษผู้นั้นก็ระลึกขึ้นได้อย่างนี้ชื่อว่าสรณโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชามุททโตสตินั้นเป็นอย่างไร พระนาคเกษน์จึงวิสัชนาแก้ไขว่ามุทโตสตินั้นได้แก่บุคคลอันจดหมายอักขระไว้แล้วครั้นลืมไปมาดูอักขระนั้นก็รู้ว่าอักขระนี้อัตมาได้กระทำไว้ที่ระหว่างอักขระนี้อย่างนี้แหละได้ชื่อว่ามุทโตสติขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมีลินปินประชากรมีพระราชะองค์การถามว่า พันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาขนานาโตสตินั้นเป็นอย่างไรพระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารขนานาโตสตินั้นได้แก่บุคคลจะระลึกสิ่งของอันใดเป็นของมากต้องนับดูจึงจะระลึกได้ว่าของท่านเท่านั้นนี่แหละชื่อว่า ขนานาโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชาองค์การถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาทารณโตสตินั้นอย่างไรพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชาดูรานะบพิษพระราชาสมภารลักษณะแห่งทารณโตสตินั้นได้แก่บุคคลจําทรงไว้ได้มาก ด้วยอุตสาหะสำเนียกจำไว้มากอย่างนี้ชื่อว่าธารณโตสติขอถวายพระพรครั้งนั้นพระเจ้าวิลินปิ่นประชากรมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสณอันว่าภาวนาโตสตินั้นอย่างไรพระนาคเสณจจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูรานบาพิษพระราชสมภาร อันว่าลักษณะแห่งภาวนาโตสตินั้นสมเด็จพระสันเพชรตรัศนาไว้ว่าภิกษุได้บุพเพนิวาสานุสติญานในศาสนาของตถาคตนี้คือระลึกชาติได้ชาติดึงบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างตราบเท่าหลายชาติไปช่อว่าภาวนาโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิรินปินประชากรมีพระราชองค์การถามว่า พันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสณผู้ปรีชาอันว่าลักษณะแห่งโปธกะนิพันธนโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาคเสณจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารอันว่าลักษณะแห่งโปฎกะนิพันธนโตสตินั้นได้แก่ราชบุรุษข้าราชการ อันมาระลึกถึงพระราชอนุสาสนีกฎหมายอธิบายว่าพระราชกําหนดกฎหมายดีกาที่พระมหากษัตริย์มีพระราชบัญญัติไว้ย่อมจะรึกอยู่กับลานครั้นำมาอ่านดูแล้วก็ระลึกได้ดังนี้ชื่อว่าปฎธกะนิพันธนตโตสติขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าวิลินปินประชากรมีพระราชะองค์การถามว่า พันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาอุปะนิเขปะนะโตสตินั้นอย่างไรพระนาคเษนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารอุปะนิเขปะนะโตสติได้แก่บุคคลเห็นทรัพ์ที่ตั้งไว้และระลึกได้ถึงทรัพ์นั้นชื่อว่าอุปะนิเขปะนะโตสติขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิรินปินประชากรมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาอนุภูตโตสตินั้นเป็นประการใดพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารอนุภูตโตสตินั้นได้แก่บุคคลระลึก ถ, ถึงรูปได้ด้วยเคยเห็นรูป จำเสียงได้ด้วยเคยฟังจำกลิ่นได้ด้วยเคยดมระลึกรสได้ด้วยเคยบริโภคระลึกซึ่งโพธภารมได้เหตุเคยถูกต้องด้วยกายและระลึกถึงธรรมเป็นการละเอียดได้เหตุเคยรู้ด้วยจิตอย่างนี้ชื่อว่าอนุภูตโตสติขอถวายพระพรสิริท้วนอาการสิบเจ็ดเท่านี้ สมเด็จพระเจ้ามิดินภูมินพระราธิบดีฟังพระนาคเกษแก้ไขดังนี้ก็มีพระไทยโสมนาตรัสว่าการโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชชนานี้สมควรแล้วสติอาการปัญหาเป็นปฐมจบเท่านี้